ตอนผมเด็กๆบ้านคุณยายมีห้องพระอยู่ติดกับระเบียงด้านหลังห้องนั้นจะปิดประตูไว้เกือบตลอดทั้งวันจะเปิดเฉพาะเวลาที่คุณยายเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นในห้องมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ทางด้านในมีพระพุทธรูปเก่าๆอยู่หลายองค์ทั้งใหญ่และเล็กตอนวันสงกรานต์คุณยายกับน้าๆจะเตรียมน้ำอบไทยผสมกับน้ำลอยส้มปล่อยซึ่งเป็นฝากสีน้ำตาลแก่แห้งๆใส่ขันเงินใบโตในขันนั้นจะมีขันเงินเล็กๆ อีกใบหนึ่งลอยอยู่สำหรับใช้ตักน้ำจากขันใบใหญ่ส่งน้ำพระพุทธรูปผมถูกสอนว่าเวลาเข้าไปในห้องพระต้องอย่าส่งเสียงดังหรือหยิบจับอะไรเล่นแล้วก็ต้องถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ในบ้านออกทุกครั้งผมเคยถามคุณยายว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นห้องพระมีเทวดารักษาถ้าทำไมด่ดีเทวดาท่านจะไม่อยู่ด้วยคุณยายว่าเทวดาอยู่ในบ้านทาไมเราไม่เคยเห็นเทวดาลักแรบผมซักต่อ ในใจก็นึกไปถึงรูปว่าเทวดาสวมชฎาที่ผมเคยเห็นในผนังโบสเวลาไปวัดกับคุณย่าที่บ้านตามต่างจังหวัดตอนปิดเทอมเทวดาในรูปสวยงามแล้วก็ดูอารมณ์ดีเทวดาท่านอยู่ทุกหนทุกแห่งนะลูกเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระท่านก็มาฟังถ้าเราเป็นคนดีเทวดาก็จะคุ้มครองรักษาผมฟังคุณยายพูดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตามระสาเด็กพอถึงเวลาปิดภาคเรียนกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ พอไปวัดกับย่าผมก็ถามย่าเรื่องนี้อีกคุณย่าบอกว่าพระพุทธรูปรวมทั้งพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ทุกองจะมีเทวดารักษาเทวดาพวกนี้ท่านจะไปมาตามที่ต่างๆผมก็ฟังคุณย่าเล่าด้วยความสนุกถามย่าว่าถ้าอยากเห็นเทวดาจะทำอย่างไรย่าบอกว่าก่อนนอนให้สวดมนต์ทุกคืนแล้วก็อธิษฐานบอกท่านผมก็ทาตามที่ย่าบอก นึกอยู่ในใจว่าอยากเห็นเทวดาสักครั้งจะได้ขออะไรอะไรอย่างที่นึกอย่างที่อยากได้แต่ผมก็ไม่เคยได้พบเทวดาอย่างที่อยากพบแม้แต่ครั้งเดียวจนหลายปีต่อมาผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆดังที่จะเล่าให้ฟังต่อไปบ้านของคุณยายเป็นเรือนไม้สองชั้นระเบียงบ้านด้านบน ซึ่งเป็นด้านหลังของบ้านติด ก, กันกับห้องพระมองไปเห็นสวนที่ครึ้มไปด้วยต้นหมากแล้วก็ผลไม้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงมะกอกส้มโอชมพู่ซึ่งต้นไม้พวกนี้อยู่บนทองร่องเรียงเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบด้านหน้าบ้านเป็นคลองบางกอกใหญ่ซึ่งตอนนั้นเพื่อนบ้านของเราแถบนั้นส่วนมากก็เป็นชาวสวนใช้เรือพายเอาผักแล้วก็ผลไม้ไปขายตอนเช้าก็จะมีพระสงฆ์นั่งเรือมาบิณฑบาต เป็นเรือพายทั้งนั้นส่วนเรือหางยาวที่ติดเครื่องเสียงดังสนั่นอย่างทุกวันนี้ น, น, นานๆจึงจะเห็นผ่านมาทีหนึ่งริมคลองหน้าบ้านของคุณยายมีศาลาเล็กๆซึ่งคุณยายจะไปใส่บาตแล้วก็พวกเราเป็นเด็กใช้นั่งเล่นบางทีก็กระโดดลงน้ําในคลองจากบนศาลาศาลานี้ตอนเสราร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดก็ใช้เป็นที่รับแขกโดยเฉพาะนะ้ผู้หญิงของผมมีสองสามคนและก็มักจะมีเพื่อนมาที่บ้านเป็นจํานวนมาก ศาลาหลังนี้เก่ามากมีเสาไม้ขนาดใหญ่สี่ต้นหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลแต่ว่าเก่าจนมองเห็นเป็นสีดําในศ า, าลาทั้งสองข้างเป็นที่นั่งยกพื้นสูงราวๆหนึ่งเมตรตรงกลางเป็นที่ว่างระดับเดียวกับพื้นดินซึ่งเป็นทางเดินลงไปยังบันไดลงน้ำศาลาหลังนี้จะสร้างมานานเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยถามคุณยายแต่ว่าน่าจะสร้างมาก่อนผมเกิดเพราะว่าพอตอนผมไปอยู่บ้านคุณยายเมื่อยังเล็กๆ ก็เห็นศาลานี้อยู่ก่อนแล้ววันนึงช่วงก่อนสอบไล่ก่อนปิดเทอมใหญ่ราวเดือนกุมภาพันธ์จำได้ว่าเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายๆผมไปปูเสือ่อนั่งท่องหนังสือที่ศาลาริมคลองอยู่คนเดียวข้างศาลาเป็นต้นมะม่วงใหญ่ครึ้มสายลมจากริมคลองพัดมาเย็นสบายนั่งท่องหนังสืออยู่นานเข้าก็เลยรู้สึกง่วงนอนก็เลยล้มตัวลงไปตั้งใจว่าจะนอนสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมาท่องหนังสือต่อ ตอนนั้นผมหันศีรษะไปทางเรือนใหญ่ปลายเท้าเป็นด้านคลองสักพักหนึ่งก็เห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ข้างเสาศาลาตรงปลายเท้าใส่เสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านธรรมดานุ่งผ้าถุงสีเข้มสวมเสื้อสีเขียวผู้หญิงคนนั้นยืนมองผมอยู่ครู่หนึ่งพัดอย่านอนเหยียดเท้ามาทางพระหันหัวไปทางโ น, น้นน้าคนนั้นว่าแต่ว่าน้ำเสียงท่าทางใจดี ผมงัวงเงียลุกขึ้นก่อนที่จะล้มตัวลงนอนต่อหันศีรษะไปอีกด้านหนึ่งกลับทางกับที่นอนในตอนแรกตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นแต่คิดว่าคงเป็นเพื่อนคนหนึ่งของพวกน า, นาที่ชอบมาบ้านเราเป็นประจำเพราะผู้หญิงคนนั้นเรียกชื่อผมซะด้วยตอนเกือบเย็นผมตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นเพียงความฝันเท่านั้นไม่ได้มีใครมาบอกให้ผมกลับทางนอนสักหน่อยเพราะว่าผมก็ยังนอนเอาเท้าไปทางเดิมแต่เป็นความฝันที่เหมือนจริงมาก เพราะว่าผมยังจําหน้าตาใจดีของผู้หญิงคนนั้นได้แล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยสองสปีต่อมาคุณยายได้รื้อสาราหลังนั้นเพื่อเปลี่ยนเสาสาราเพราะว่าน้ำเซาะเส า, สาไม้ส่วนที่ยื่นลงไปในน้ําพวกช่างไม้ที่มาช่วยรื้อสาลาก็เป็นคนแถวๆบ้านที่คุ้นเคยกันตอนที่พวกช่างไม้มาทํางานคุณยายทํากับข้าวเลี้ยงดูพวกช่างไม้รวมทั้งคนในบ้านราวกับว่าเป็นคนงานเลี้ยงทําบุญย่อยๆทีเดียว ตอนที่พวกช่างไม้เข้ามารื้อหลังศาลาปรากฏว่าพบพระพุทธรูปองค์เล็กๆอยู่บนปลายเสาตรงที่รับกับคานเป็นพระทองเหลืองเก่าคร่ำจนดำปี๋องค์เล็กมากอยู่บนยอดเสาที่ทําเป็นรอยบากไว้พระองค์นั้นเล็กมากจนไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อนพอผมเห็นพระองค์นี้ก็คิดถึงวันที่ผมไปนอนที่ศาลาแล้วก็ฝันว่ามีคนบอกว่าอย่านอนเอาเท้าไปทางพระหรือจะเป็นพระองค์นี้แปลกดีแท้ เขาเรียกว่าพระกริงคุณยายบอกพร้อมกับยกพระนั้นขึ้นเขย่าตรงหูผมขอมาเขย่าดูบ้างตามประสาเด็กๆได้ยินเสียงกริ ก, ก, รกอยู่ข้างในคุณยายบอกให้ผมไปหยิบพานทองเหลืองเก่าที่เก็บอยู่ในตู้เก็บของมาในห้องนี้ตู้นั้นเป็นตู้ที่เก็บแก้วน้ำถ้วยชามกระเบื้องและพวกช้อนซ่อมที่บ้านเราจะนําออกมาใช้เวลามีงานหรือทาบุญเลี้ยงพระพอผมหยิบพานมาให้คุณยายก็เข้าไปในห้องพระ คุณยายวางพานใบนั้นไว้บนโต๊ะหมู่ตัวหน้าสุดแล้วก็เอาพระกริ่งองค์นั้นวางไว้บนพานก้มลงกราบพระและบอกให้ผมทำตามนั่นเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนับบัดนี้เกือบถึง30ปีพอดีคุณยายของผมเสียตอนที่ผมอยู่มัธยมปลายหลังจากจบชั้นมัธยมปลายแล้วปีต่อมาผมเข้ามหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยของผมอยู่ที่ต่างจังหวัดผ ม, ผมจึงย้ายออกจากบ้านคุณยาย บ้านหลังนั้นก็เหลือแต่บรรดาหน้าหน้าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานสองคนนะ้าบางคนที่มีครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันออกไปบริเวณหลังบ้านของคุณยายที่เคยเป็นสวนผลไม้ก็กลายเป็นตึกแถวแล้วก็ร้านค้าส่วนที่เป็นสวนก็หดหายลงไปผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปที่บ้านหลังนั้นเพราะว่ามหาวิทยาลัยอยู่ต่างจังหวัดนานๆจึงจะมีโอกาสไปกรุงเทพสักครั้งหนึ่ง ตอนผมอยู่ปีสุดท้ายนะ้าโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าไฟไหม้ที่ตึกแถวหลังบ้านกว่าที่พวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะดับได้ตึกแถวบริเวณนั้นก็เสียหายไปมากและยิ่งไปกว่านั้นก็คือไฟลามเข้ามาทางหลังบ้านของเราด้วยเพราะว่าตอนนั้นลมแรงและบริเวณระเบียงบ้านด้านหลังที่ต่อออกไปเป็นห้องพระก็อยู่ติดติดกับรั้วบ้านด้านหลังห้องที่เป็นต้นเพลิงอยู่ติดกับรั้วหลังบ้านของเราวันนั้นเป็นวันไหวในช่วงตรุษจีน เขาสันมิฐานกันว่าเจ้าของห้องที่เป็นคนจีนจุดธูปเทียนไหว้เจ้าและไม่มีใครดูแลจึงเกิดเหตุขึ้นผมถามว่าบ้านเราเป็นอะไรมากไหมน้าบอกว่าระเบียงด้านหลังไหมหมดรวมทั้งห้องพระพวกดับเพลิงเข้าสกัดไว้ทันก่อนที่ไฟจะลามเข้าไปถึงตัวเรือนด้านในโต๊ะหมู่บูชาในห้องพระรวมทั้งพระพุทธรูปหลายองค์ถูกความร้อนละลายเสียหายหมด นาเล่าต่อว่าพอไฟสงบลงแล้วพวกที่บ้านก็เข้าไปดูตรงบริเวณที่เคยเป็นห้องพระและก็พากันแปลกใจกันทุกคนที่เห็นพระกริงองค์เล็กๆนั้นยังวางอยู่บนพานทองเหลืองใบเก่าท่ามกลางกองเท่าฐานของโต๊ะหมู่บูชาที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือพานใบนั้นลงมาตั้งเด่นอยู่กับพื้น ท่ามกลางกองเท่าฐานโดยไม่หลอมละลายไปกับความร้อนของเปลวไฟและตั้งอยู่โดยไม่ลมควม่ำราวกับว่ามีคนจับวางไว้อย่างไรอย่างนั้น ท, ทั้งทั้งที่พานใบนั้นเคยตั้งบนโต๊ะหมู่ที่มีขาสูงจากพื้นราวๆครึ่งเมตรนอกจากนั้นพระองค์นั้นรวมทั้งพานไม่มีริ้วรอยแม้แต่เข่าหรือควันไฟเรื่องพวกนี้นา้นาๆกับคนแถวนั้นที่ได้เห็นก็ล้วนพูดกันทั่วไปบอกว่า พระกริ่งองค์นี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แท้นั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ทำให้ผมนึกไปถึงวันที่ไปนอนที่ศาลา ร, าริมน้ำตอนเป็นเด็กๆขึ้นมาอีกครั้ง